โครงการอุทยานธรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุทธนิโยประกอบด้วย 1. โบสถ์คารณีธรรมเจดีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปเหมือนขององค์หลวงพ่อ 2. ลานธรรมขนาด500ตารางเมตรในบรรยากาศ ร, รม่มรื่นท่ามกลางสวนป่าและขุนเขา 3. พิพิธภัณฑ์บริขารซึ่งแวดล้อมด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันไม้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยพุทธและแก้วหลากหลายชนิด